เป็นสวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสั้นนิธิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลา เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนนญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือภูรู้คือรู้เฉพาะตนได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าพระธรรมคุณทั้งบทนี้ ย่อมเป็นพระธรรมคุณของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงสั่งสอนเป็นพุทธศาสนาซึ่งเป็นปริยัติธรรมและที่ปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมและที่รู้แจ้งแทงตลอด เป็นปฏิเวตธรรมทั้งหมดและก็ได้แสดงยกสติปทานมาอธิบายประกอบพระธรรมคุณทั้งหมด6กบทนี้จนถึงธรรมานุปัสสนาสติปฐานก็ได้แสดงสติกำหนดพิจารณา ตามดูนิวรณดูขันห้าและก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของนิวรณในขันห้าถึงอายัจนที่ตรัสแสดงเป็นอันดับไปจากขันห้าคือตรัสสอน ให้ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักตาให้รู้จักรูปให้รู้จักสัญญอดหรือสังโยชน์ความผูกที่แสดงแล้วว่าความผูกใจอาศัยตาและรูปบังเกิดขึ้น ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักหูให้รู้จักเสียงให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยหูกับเสียงบังเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักจมกูกให้รู้จักกลิ่นให้รู้จักสังโยชน์ ที่อาศัยจมูกกับกลิ่นบังเกิดขึ้นตั้งสติกาหนดดูให้รู้จักลิ้นให้รู้จักรสให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยลิ้นและรสบังเกิดขึ้นตั้งสติกาหนดดูกายกาหนดดูผลธรรพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง กำหนดดูสังโยชน์ที่อาศัยกายและผลภัณฑบังเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูมโนโคือใจให้รู้จักธรรมะคือเรื่องราวให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยมโนและธรรมะคือเรื่องราวบังเกิดขึ้นและ ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักประการที่สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นให้รู้จักประการที่ละสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้นแล้วให้รู้จักประการที่สังโยชน์ที่ละได้แล้ว จะไม่บังเกิดขึ้นอีกดังนี้ข้อที่เกี่ยวด้วยอายตนะนี้ทรงมุ่งแสดงใหร้รู้จักสังโยชน์คือความผูกใจที่อาศัยอายตนะะภายในและภายนอกที่คู่กันทั้งหกบังเกิดขึ้น คือเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นเกิดสังโยชน์ผูกจะผูกใจขึ้นมาก็ทำสติดูให้รู้จักรู้จักทั้งตารูปหูเสียงเป็นต้นและให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยอาญตนะเหล่านี้บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกัน ด้วยหัดทำสติกำหนดดูเป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าทุกๆคนนั่นก็ต้องเปิดตาหูจมูกลิ้นกายและมันะคือใจรับ รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะและธรรมะคือเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาและจิตนี้เองเมื่อน้อมออกไปรู้คางตาหูเป็นต้นซึ่งรูปเสียงเป็นต้นก็มีสังโยชน์คือความผูกใจอยู่ที่กล่าวกันง่ายๆก็คือผูกใจอยู่ในรูปทิ่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สับรสที่ลิ้นได้สับโพธิภพสิ่งถูกต้องที่กายได้สับและธรรมะคือเรื่องราวที่ใจมโนคือใจได้คิดได้รู้ก็พูดเข้าใจกันดังนี้แต่ไม่ได้รวมเอาตาหูเป็นต้นเข้าด้วย แต่อันที่จริงนั่นเมื่อจิตน้อมออกรับรูปทางตาและเกิดสัญยชน์ขึ้นคือความผูกใจก็กล่าวว่าผูกใจอยู่ที่รูปที่ตาเห็นแต่อันที่จริงนั่นก็ต้องผูกใจที่ตาด้วยเหมือนกันเพราะรูปจะปรากฏขึ้นก็ด้วยตา อาศัยตาเพราะฉะนั้นเมื่อผูกใจในรูปก็ผูกใจอยู่ในตาด้วยคู่กันไปเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูตาด้วยรูปด้วยแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าสังโยชน์คือความผูกใจนี้มันเกิดขึ้นอาศัยตารูปเป็นต้น เป็นสติที่ให้รู้อยู่เป็นปัจจุบันธรรมอันความผูกใจนี้รู้ได้ด้วยสติเพราะว่าปรากฏเป็นอาการที่เป็นชั้นทราคะความพอดใจติดใจ หรือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจปรากฏเป็นกรมชัน้นหรือว่าปรากฏเป็นความกระทบกระทั่งก็เป็นพยาบาทปรากฏเป็นความสยบติดหรือความไม่รู้ซึ่งเป็นโมหะก็เป็นความง่วงวุ่นเริ่ม ความภุ้งส่านลำคาญในความเพลแพังสงสัยเพราะฉะนั้นนิวรทั้งห้านั่นจึงปรากฏบังเกิดขึ้นในจิตสืบจากสังโยชน์คือความผูกใจนี่เองและในข้อจิตตานุปัสสนาที่ตัดสอนให้ดูจิต ตัวตรัสย่อเข้าเป็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโ ม, มหะครั้นมาถึงวดธรรมานุปัสสนาก็ทรงขยายความออกเป็นนิวร์ห้าเพื่อให้กำหนดพิจรารณาอาการของราคะโทสะโ ม, มหะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็สืบมา จากสังโยชน์นี่แหละถ้าหากว่าใจไม่ผูกก็ปรากฏเป็นเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นอยู่แค่นั้นรูปเสียงเป็นต้นก็ตกไปแค่ได้เห็นแค่ได้ยินแหละอาการที่รูปเสียงเป็นต้น ซึ่งอิดน้อมออกรับเป็นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูเป็นต้นนั้นแต่ละครั้งก็แต่ละอย่างและก็เกิดดับอยู่แค่นั้นทุกครั้งทุกอย่างไปแต่ว่าที่ยังไม่ดับก็โดยที่ เป็นสังโยชน์คือผูกใจหรือวัดใจผูกอยู่ในสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินเป็นต้นที่ดับไปแล้วนั่นเองแต่มาผูกอยู่ในใจเป็นสังโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกอยู่ในใจนี้จึงเรียกว่าอารมณ์ คือว่าเรื่องอะไรคืออารมณ์ได้มีพระพุธธทธทธิบายตัดเอาไว้ว่าคือเรื่องที่จิตคิดจิตดำริจิตหมกมุ่นถึงนี่แหละคืออารมณ์เราจะนั่นสิ่งที่ผูกใจหรือใจผูกก็คืออารมณ์นี้เองเพราะว่า ตากับรูปขูกับเสียงเป็นต้นที่ประจบกันนั่นดับไปแล้วและรูปที่ตาเห็นนั้นเช่นเป็นบุคคลเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ก็ตั้งอยู่ในภายนอกทางนั้นจะเอามาใส่ไว้ในใจไม่ได้สิ่งที่ใส่ไว้ในใจนั้นก็คือ อารมณ์นี้เองแม้ว่าสิ่งที่เป็นสมบัติพัฒสถานของตนเองเช่นเป็นบ้านเรือนเป็นทรัพย์สินสิ่งนั้นทรัพย์สินสิ่งนี้ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่อยู่ในภายนอกทางนั้นส่วนที่เข้ามา ว่าเป็นของเราสิ่งนี้ของเราสิ่งนั้นของเราก็โดยที่ยังเป็นสังโยชน์คือที่ผูกใจด้วยใจผูกนี้เองผูกออกมาตั้งไว้ในใจว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนี้ เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้แต่อันที่จริงนั้นทุกๆอย่างนั้นอยู่ในภายนอกใจท้งนั้นไม่ได้เอามาใส่ไว้ในใจเพราะฉะนั้นความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่เรียกว่าอุปาทานนี้จึงเป็นสิ่งที่ ตั้งอยู่อาศัยอยู่ที่ขันห้านี่แหละซึ่งรวมเข้าก็เป็นกายในใจหรือนามารูปดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วและอุปาทานความยึดถือนี่ก็ยึดถือทั้งขันห้าหรือว่านามารูปเองด้วย ว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดเรียกว่าเป็นอุปาทานาขันขันเป็นยึดถือขัห้าประการและตัวความยึดถือนี่เองก็อาศัยเนื่องอยู่ในขันห้าเพราะว่าขันห้านี้ก็เนื่องกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แยกกันไม่ออกจะแยกเอาสิ่งนั้นทิ้งเสียสิ่งนี้ออกเสียดังนี้ไม่ได้ต้องรวมกันอยู่เป็นขันห้าเป็นก้อนเป็นกองอยู่ด้วยกันบุคคลจึงยังดำรงชีวิตอยู่ซึ่งจะต้องมีทั้งห้าหรือว่าย่อลงเป็นนมามรูปก็ต้องมีทั้งนามทั้งรูปจะมีแต่ส่วนรูปไม่มีนาม มีแต่นามไม่มีรูปนั้นก็ไม่ได้ต้องอาศัยกันและขันห้านี้ก็เป็นสิ่งเกิดดับเมื่อแสดงโดยปัจจุบั น, นธรรมเมื่อตั้งต้นขึ้นที่อาตนาภายในภายนอกอาต น, นะภายนภายนอกนี้ก็เป็นรูป เว้นแต่ขอมโนคือใจซึ่ง mm hmm. เป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ในส่วนที่เป็นรูปห้าขอหรือห mm ้า hmm. คู่ข้างตนและก็อาศัยอาชนะที่เป็นรูปนี้เองพร้อมทั้งมโนคือใจด้วยประกอบกันคือตากับรูปประกอบกัน หรือประจบกันหูกับเสียงประกอบกันประจบกันดังนี้เป็นต้นก็เกิดวิญญาณขึ้นคือเกิดความรู้ที่เรียกว่าเห็นที่เรียกว่าได้ยินเป็นต้นขึ้นและทั้งอาจรนะภายในภายนอกที่เป็นคู่กัน แกวิญญาณที่มันเกิดขึ้นนี่มารวมกันเข้าก็เป็นสัมผัสคือกระทบทึงจิตที่แรงขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางเปทุกข์ไม่สุขแล้วก็เป็นสัญญาความจําได้หมายรู้แล้วก็เป็นสังขารความคิดคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วเมื่อปรุงคิดคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณเสบ ต่อไปอีกหรือว่าจิตตกพวังสิ้นสุดลงแค่นั้นในอารมณ์อันหนึ่งและเมื่อรับอารมณ์อันใหม่ขึ้นมาก็บังเกิดเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารขึ้นมาอีกแล้วจิตก็ตกพวัง หรือสหรือว่าจะแสดงสืบเนื่องกันไม่กล่าวทั้งกิตตกภพลวังถึงเป็นของละเอียดก็เป็นวิญญาตเกิดมาอีกสืบต่อกันไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปของขันห้าซึ่งเป็นวิบากขันซึ่งเมื่อแสดงโดยปัจจุบั น, นธรรมก็มีความบังเกิดขึ้นเป็นปัจจุบั น, นธรรมสืบจากอาจตนะ ซึงมาประจบกันเกิดดับอยู่ดังนี้ตลอดเวลาเป็นธรรมดานิวรณ์เองก็เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเป็นธรรมดาสังโยชน์ก็เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเป็นธรรมดาแต่สังโยชน์นี้แยกออกไปเป็นกิเลส น, นิวรณ์ก็แยกออกไปเป็นกิเลส สังโยชน์นั่นเองเป็นตัวต้นแล้วก็เป็นรีวอตดังที่แสดงแล้วที่เป็นฝ่ายกิเลส ท, ที่อาศัยขันค่านี่แหละมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัดแยกมาแสดงจำเพาะ อ, อาจิตนาภายในภายนอกซึ่งเป็นต้นของความมาเกิดขึ้นของขันค่านในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นวิญญาณแล้วก็เป็น สัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารในอารมณ์นั้นๆที่จิตออกรับอาศัยอัาภายในภายนอกเป็นคู่กันดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นความเกิดความดับของนิมนต์กดีของขันห้าก็ดีของอาจนะก็ดี ตลอดจนั้งของสังโยชน์เองจึงมีอยู่เป็นธรรมดาในอารมณ์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าหัดตั้งสตินี้เองให้ระลึกรู้ในปัจจุบันคือให้ทันให้ทันกับความเป็นไปของกระบวนจิตหรือว่าของกระบวนขันอาจตนะ และเมื่อตั้งสติกาหนดรู้ให้ทันแล้วก็จะปรากฏความเกิดความดับฉะนั้นในข้อที่ว่ามีวอนก็ดีขันก็ดีสั้าโยศก็ดีเกิดโดยประการใดดับโดยประการใดละโดยประการใดละแล้วไม่เกิดอีกโดยประการใด ก็คือโดยประการที่ทำสตินี่เองให้ให้รู้ทันฉะนั้นในข้อที่ว่ายีวอนก็ดีขันก็ดีสังโยชน์ก็ดีเกิดโดยประการใดดับโดยประการใดละโดยประการใด แล้วไม่เกิดอีกโดยประการใดก็คือโดยประการที่ทำสตินี่เองให้ให้รู้ทันต่อกระบวนการของความเกิดดับของนิวรณของขันธ์ของอาจินักสิ่งทีป่ปกปิดก็คือว่าตัวโมหะคือความหลงนี่เองที่หลงยึดเข้ามาผูกพันจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงบังเกิดขึ้นในจิตใจเป็นนิวรเป็นขันเป็นอานะเป็นสังโยชน์ในจิตใจและก็ตั้งอยู่ในจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้บังเกิดเป็นตัวกิเลสขึ้น นั่เป็นทุกข์ขึ้นปกปิดความเกิดความดับซึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดทาสตินี้ให้รู้ให้ว่องไวให้ทันและเมื่อรู้ว่องไวทันแล้วก็จะกั้นกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นได้กั้นความผูกใจได้กั้นสังโยชน์ได้ กันนิมนม่อม่ให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเห็นเกิดเห็นดับขึ้นมาเมื่อเห็นเกิดเห็นดับคู่กันขึ้นมาดังนี้แล้วจึงไม่เห็นอะไรที่จะตั้งอยู่ให้ให้รักหรือให้ชังเป็นต้นหรือว่าให้เป็นสังโยชน์คือผูกใจหรือใจผูกเป็นต้นเพราะว่าเมื่อเห็นว่าดับแล้วจะผูกอะไร ่วนที่ไม่เห็นว่าดับนั้นจึงผูกและที่เห็นว่าไม่ดับนั้นก็คือว่าเอามาตั้งไว้ในใจผูกอยู่ในใจให้เกิดขึ้นใหม่ในใจก็เอาสิ่งที่ดับไปแล้วนั่นแหละคือที่ประสบพบผ่านมาแล้วดับไปแล้วนั่นแหละมาผูกไว้ในใจตั้งขึ้นใหม่ในใจเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นในใจอยู่ในใจทั้งนั้นใจนี้เอง เป็นตัวที่เก็บเข้ามาแล้วก็เป็นตัวที่ตั้งขึ้นปลุกขึ้นมาให้สิ่งที่ดับมาบังเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่แล้วก็ยินดียินร้ายหลงอยู่ในสิ่งที่ตั้งอยู่ในใจนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีท้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหัดทำสติให้รู้เท่าทันแล้วจะได้ปัญญาที่รู้ความจริงว้วนี่เป็นโมหะคือตัวหลงทางนั้นเป็นอวิชชาคือไม่รู้จริงทางนั้น ดุจฉนั้นการหัดทาสติให้ว่องไวดังนี้จึงเป็นไปทั้งเพื่อสติสมาธิแลงเพื่อปัญญาซึ่งในหมวดธรรมานุปัสสนานี้เป็นหมวดที่ตรัสสอนไว้เพื่อเจริญทางปัญญาเป็นที่ตั้งต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำครัมส ง, บ, งบสืบต่อไป